ท่านฟังที่เคารพคะในการสนทนีสนทนานะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาพบกันและเพื่อที่จะย้ํากับทุกท่านนะคะว่าในเมื่อเราเป็นรายการธรรมะเรานําเสนอความเป็นพุทธอัจฉริยะของพระพุทธองค์มาเป็นเวลาช้านานในปีนี้ที่เขาเฉลิมฉลองว่าการเกิดมีของพระพุทธเจ้ามาถึงปีที่ 2,600 แล้วเนี่ยเราก็จะยกให้เป็นพิเศษเพื่อที่จะให้ท่านรู้ว่าเราเท่านท่นเนี่ยคะ่ะ สามารถจะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้พอๆกับระดับชาติหรือระดับนานาชาติเขาทําในการที่จะถวายพุทธบูชาแก่พระพุทธองค์เนื่องในโอกาสสาคัญนี้ที่ถูกเรียกว่าปีพุทธชยันตีเนี่ยด้วยการด้วยการอะไรเดี๋ยวเราก็มาฟังกันที่ท่านเพรบุญภิปุโ น, โนนะคะที่ท่านได้นําเอาพุททวัจะนะมาตอบคําถามให้กับพวกเราเป็นประจําอยู่แล้วกราบนวสการกัน ท, ทั้งคะเชิญบอค่ะ แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันถามคําถามเดียวก่อนว่าเราจะถวายการบูชาพระพุทธองค์ที่เลิศได้พอๆ ก, กันกับระดับชาติระดับนานาชาติเขาทําในลักษณะที่เราเป็นปัจเจกเป็นบุคคลคนเดียวเนี่ยได้อย่างไรละท่านคะพระพุทธเจ้าเคยระบุถึงการบูชาอันสูงสุดะนะที่ว่าการปฏิบัติบูบชาการที่เรามาประพฤติ ท, ทำปฏิบัติทำในอย่างเช่นว่าสมมุติมีคนด่าเรา เ, ออเราไม่โกรธ เราไม่ว่าไม่ดา่าไม่ตอบโต้อย่างเงี้ยมีความอดทนอยู่เนี่ยอันนี้คือโอ้คุณปฏิบัติบูชาละทีนี้คุณคุณชมเตี่ยเจะเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะแหวกแนวถูกไหม ค, <ะ S 1> คือสมมติคนด่าเนี่ยแทนที่เราจะด่ากลับคือคนปกติใช่ไหม <คะ S 1> เขาก็จะด่ากลับสับให้ยับเป็น2เท่าอย่างนี้เป็นต้นน ะ, <ค>ะหรือว่าเขาตอบมาหนักๆเราเอามันให้หนักยกพวกไปตีมันอย่างเงี้ยนะ เ, เราก็ไม่ทําอย่างนั้น นะถ้าเผื่อว่าเราทําอย่างนี้ไดนะ้คือการที่เดินอยู่ในมารคปฏิบัติตามคําสอนอยู่ในโอวาทเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติบูชานําบูชาด้วยการบูชาอันสูงสุดค่ะไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนแล้นะคะไม่ต้องใช้สิ่งที่เป็นอามิ t h ใดๆทั้งสิ้นเลยนะการบูชาอย่างเงี้ยเป็นการบูชาที่เป็นนิรามิตรคือไม่ต้องใช้ของในการบูชานะค่ะเดี๋ยวฉันนึก ว, ว่าท่านจะตอบแค่ วิธีอย่างไรที่จะบูชาสูงสุดคือท่านตอบปฏิบัติบูชาแต่ท่านให้รายละเอียดของตัวอย่างของการที่นําไปปฏิบัติได้เลยแล้วก็สอดคล้องกับสังคมที่มันเห็นต่างกันอยู่ตลอดเวลาเลยในข้อนี้มีอะไรเราก็ใจเย็นค่อยพูดจากันอันนี้คุณบูชาพระเจ้าล่ะมีอะไรค่อยใจเย็นพูดจากันอันนี้คุณบูชาพระเจ้าอยู่หัวบูชาคนในสังคมคือคุณบูชาทุกคนด้วยการทําแบบนี้เพราะว่าอะไรว่าไม่มีใครเดือดร้อนนะคุณยมติ๋ว สมมติว่าเขามาที่เราทีหนึ่งใช่ไหมเขาด่าเราว่าเราเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจนี่ถ้าเราอดทนได้ใช่ไหมเราคืออกรณีแรกก่อนสมมติเราตอบกลับอัดให้หนักเป็นยับเป็น2เท่าอย่างเงี้ยเขาก็จะอัดกลับให้เรายับเป็น4เท่าอย่างเงี้ยมันจะไปมามันจะไม่จบนะเราก็จะมีแต่คนเดือดร้อนนะคนที่ฟังอยู่เขาก็เดือดร้อนคนที่เห็นอยู่เขาก็เดือดร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอดทนได้เนี่ยคือไม่ใช่แค่เราเป็นสุขคนเดียวไม่ใช่พระพเจ้าจะได้รับการบูชาอย่างเดียว คนรอบข้างเนี่ยเขาก็มีความสุขไปด้วยอย่างเงี้ยนะนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ฟังเราสามารถบูชาพระพุทธเจ้าได้เลิศเหมือนกับที่องค์กรใหญ่ๆเขาทํากันได้ด้วยตัวของเราเองและด้วยวิธีที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจําวันเป็นโจทย์มาให้เราทําได้อยู่แล้วอืคะ<ท>่ะก็ทํากันนะคะอื ท, อทีนี้ตรงนี้มั น, มนเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมติวเรื่องการที่เป็นอาหมิบูชาอามิสบูชาคือคุณมีเงินคุณก็ทุ่มเงินไปสิ คุณทุ่มเงินคุณทุ่มทุ่มเท่าไหร่ก็ได้แต่การบูชาเนี่ยด้วยใจของเราเนี่ยคือด้วยนิรามิตรด้วยสิ่งที่ปฏิบัติบูบชาเนี่ยแต่ละคนต้องทําเอง <C HA> นะต่อให้คุณมีเงินมากขนาดไหนนะถ้าเราไม่ปฏิบัติบูบชาเองเราจะไม่ได้ทำํำถือว่ายังไม่ได้บูชาอันสูงสุดถูก <C HA> ไห ม, มทุกค น, น, นทําได้ค่ะเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเป็นการบูชาที่พิเศษอยู่สักหน่อยอันนี้ดิฉันคิดว่าเราก็ขึ้นต้น บอกกับตัวเองในแต่ละวันคดีมกันนะคะฉันจะบูชาพระพุทธองค์อย่างสูงสุดด้วยการปฏิบัติบูชาตลอดทั้งวันใช่ในการสั่งจิตแล้วว่าเราได้ทําในสิ่งนี้ตั้งใจทําและเราก็จะได้ภาคภูมิใจว่าเราได้ทําแล้วมไม่เสียทีที่เกิดมาแล้วใช้ประโยชน์จากธรรมะของพระพุทธองค์ใน ก, การดำเนินชีวิตท่านคะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงในส่วนของว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วย ธรรมะไหนอย่างไรในรายละเอียดซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่รายการเราตั้งใจบูชาแล้วเนี่ย<ด>ขอแวะไปที่คำถามของท่านฟังก่อนได้ไหมคะได้ได้ไดท่านฟังท่านนี้ถามไปที่เพียวธรรมะ d c o m 1 0 6ของท่านพบูนนะคะชื่อคุณปรีดาวันบอก ว, ว่าขอถามคำถามที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองหรอกแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งนะคะชื่อพี่อ้นทางานที่เดียวกันพี่อ้นบอกว่าไปนั่งอยู่ที่สภาการชาติไทย นั่งอยู่ตาก็ไปเห็นเขาเข็นศพผ่านไปเขาก็บอกว่าจําได้ติดตาว่าศพใส่เสื้อสีสม้มแล้วอยู่สักพักหนึ่ง <c oughs> ก็มีพระสง์เดินผ่านไปอีก <c oughs> พี่อ้นก็บอกว่าไม่สบายใจเลย <c oughs> ทําไมถึงเห็นศพแต่ดิฉันก็บอกพี่อ้นไปว่าไม่เป็นไกรเป็นเรื่องทธรรมดะดิฉันเข้าใจว่าศพใส่เสื้อสีส้มแล้วสักพักมีพระสง์เดินผ่านไปนี่คงเข้าใจว่าเอ๊ะ ก, ก็เมื่อกี้เห็นสงนอนอยู่ทําไมตอนนี้เดินผ่านอย่างนั้นหรือเปล่าคะ <c oughs> สีส้มนี่อาจจะเป็นสีจอมพระหรือว่าก็ไม่แน่ใจนะสงสัยหรืออาจจะเป็นเข้าใจว่าอศพหรืออาจจะเข้าใจว่าคนป่วยนะใส่เสื้อสีส้มแล้วพอเห็นพระสงเดินไปเขเลยคิดว่าเขาเป็นศพตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะ อ, อันนี้นมาคิดว่าเป็นประเด็นที่คุณคุณปรีดาวันใช่ไหมคำ ถ, ถามมาดีมากคือที่มากคือคุณอ้นเนี่ยนะอย่างน้อยเขาเห็นเทวทูตสองอย่างเดีเดยวเขาเห็นเทวทูตคือเห็นคนตาย หรือคนนั้นยังไม่ตายไว้ด้วยแต่เป็นคนเจ็บอย่างเงี้ยเขาเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้ตายละฉันนี่ไปโรงพยาบาลนะฉันป่วยนะหรือฉันไปเยี่ยมใครก็ไม่รู้ล่ะไปถึงปุ๊บเห็นคนตายหรือคนป่วยเนี่ยคุณเห็นเทวทูตแล้วนะว่าโอ้เราก็จะต้องป่วยเราก็จะต้องตายเป็นอย่างนี้เรารีปฏิบัติธรรมดีกว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งเห็นพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์ก็บอกโอ้อันนี้เป็นเทวทูตอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเออการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นทางออกได้อย่างนี้คุณเห็นเทวทูตสองอย่างคือเห็นทัั้งปญหา คือความทุกข์และเห็นทั้งทางแก้ปัญหาคือมักอยู่ในที่อยู่ในเวลาเดียวกันค่ะทีนี้พอมีความกังวลตรงนี้แหละอาตมาว่าไอ้ความกังวลเขาเรียกว่าอะไรความไม่สบายใจใช่ไหมตรงนี้มันอาจจะเป็นความที่เรียกว่าเตือนสติเหมือนกับเราใครครวนหรือว่าเห็นตามที่เป็นจรงิงมันเกิดความเบื่อหน่ายพอมันเกิดความเบื่อหน่ายเขาอาจจะอธิบายไม่ถูกอาจจะเป็นความไม่สบายใจคือคนเบื่อหน่ายมันก็อะไรมันก็ไม่เอา นะปล่อยวางหมดอะไรไม่เอาอาจจะเป็นความเขาอาจจะใช้บทเพียนชนะไม่ถูกอาจจะแบบอธิบายมาเป็นความไม่สบายใจอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเขามีความเบื่อหน่ายปล่อยวางได้เนี่ยเขาก็จะมีความใครกำหนัดปล่อยวางเขาก็จะมีความทุกข์น้อยลงอนะอะไรอะไรเขาก็อาจจะอยากไม่ค่อยเอาเท่าไหร่อย่ีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่คุณปรีดาวันว่า่แะไรค่ะอืมแต่ว่าพี่โอนแกคงจะถามในลักษณะที่ว่า ทำไมพี่ถึงเห็นตะผีนะเธออะไรอย่างเงี้ยนคะคะดิฉันเข้าใจอย่างนี้ <S <S ผีผีเนี่ยนะในพุทธาสนะเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเปตะเปตะนี่คือเปรตใช่ไหมเปรตนี่คือคนที่ตายไปแล้วนะคนคที่ตายไปแล้วเนี่ยคืออย่างร่างไร้วิญญาณเนี่ยร่างไร้ไร้วิญญาณคนเนี่ยนะนั่นก็คือเปรตนะคือคนที่ตายไปแล้วในประเด็นพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ที่หนึ่งว่าเปรตเนี่ยมีปกตินอนงายในสมมุติเราเราจับคนมายิงคนหนึ่งใช่ไหมเรายิงโป้งกเข้าไปที่หัวเนี่ย ปกติแล้วเขาก็จะล้มแล้วก็เอาหลังลงเอาหน้าขึ้นนะปกติคนตายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะนอนตายด้วยท่านั่งท่างายค่ะใช่ไหมน้อยคนนักที่จะนอนตายด้วยท่าคว่ำหรื อ, อค่าตกระใช่อห ม, อมค่ะพพเพราพอทราบข้อมูลนี้ว่าอ๋อเปตานี่ก็คือคนที่ตายไปแล้วถ้าเราเห็นสร่างศพนี่ก็เปยทั้งนั้นเปย์เปย์เปย์ปทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นเราก็ทําใจให้สบายนะเห็นตามที่เป็นจริงเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นอะไรแต่ใครๆก็เห็นกัน หมอเขเห็นทุกวันเลยคุณยำติว๋วค่ะอืี๋ยฉันเคยเห็นหมอเนี่ยเห็นแล้ทึ่งค่ะคือ <c oughs> ถ้าลองหลับตาคิดถึงสภาพของวันที่เราถูกสึนามิกระนำพาค่ะมาหลายวันศพแน่นเอียดเต็มลานของวัดวัดอะไรยาวนะคะวัดย่า น, นยาอย่างอ่ยแล้วก็หมอเนี่ยเป็นกองทัพเลยนะคะใช่ไปทํางานในการที่จะจําแนกว่าศพใครเป็นศพใครอะไรอย่างเงี้ยนะ ในขณะที่ศพขึ้นอืดเท้าชี้ไปนู่นมือชี้มานี่ตาถลนท่านทํางานไปเสร็จนะคะอยู่ตรงกองทํางานท่านเลยมี ก, กองเข้ขัดอยู่เต็มมีแมงวันหึงเลยมกินข้าวเรา <c oughs> มาเคยไปสัมภาษณ์หมอ <c oughs> ท่านหนึ่งในชื่อคุณหมอสมภพ <c oughs> เป็นหมอที่ผ่าตัดหัวใจ <c oughs> อยู่ที่โรงพยาบาลศรี <c oughs> นครินเนี่ยนายคุยว่าเอ๊ะทําไมหมอถึงไม่กลัวผีหรอกลัวคนหรือว่าเลือดออกมันกระโชดใสเดี๋ยมันไม่กลัวหรออย่างนี้ หมอเขาตอบว่าเขาก็พิจารณาโดยแยกเป็นส่วนๆในอย่างเช่นองค์ประกอบของเลือดอย่างเงี้ยองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเนี่ยมีอะไรก็มีเซลล์มีธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมะนะก็เบสิค <basic S 2> แค่นี้ก็เหมือนกันที่ผู้เช้าให้เราพิจารณาถ้าเราเห็นโดยความเป็นธาตุเนี่ยเราก็จะสบายใจอยู่ได้มันก็ธาตุหนึ่งเท่านั้นเองไม่เป็นไรให้สบายใจซะอย่างนี้นะค่ะก็คงจะ กระจ่างไปทั้งคุณปรีดาวันแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นที่สนใจคำถามลักษณะนี้อยู่นะคะทีนี้มาถึงส่วนที่ได้กราบเรียนขอท่า น, นะะเอาไว้ค่ะว่าให้ท่านผู้ฟังมีความพิเศษในช่วงพุทธชานตีหน่อย่ออว่าพอหลังจากที่ตรัสรู้แล้วใช่ไหมก็ได้พักอยู่ที่แถวริมสั่งแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำอะไรนะตรงนั้นเนรัญชารา นะว่าพอเป็นที่พอใจแล้วช่วงนั้นก็มีเวลาประมาณ2เดือนในเหตุการณ์ระหว่างสองเดือนตรงนี้หลังจากที่ตรัสรู้แล้วก่อนที่จะไปแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีฟังเนี่ยก็ได้ส่งใครครวนธรรมะอยู่หลายอย่างนะพูดถึงเรื่องอิทธิบาสีก็มีนะพูดถึงเรื่องอปฏิจจสมุปบาทก็มีนะคือโดยอุทานขึ้นมาเองลักษณะนี้น ะ, ะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ย ก็ได้พบพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์ผู้นี้ก็เดินมาพบพระพุทธเจ้านะแล้วก็พ อ, อพบพระพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บก็เลยถามว่าเอ้าท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเป็นใครมีอินทรีย์สวยงามจังอะไรอย่างนี้ <c oughs> เขาก็พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเป็นสัมมาสัมพุทธะนะเราเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วไม่มีใครเป็นอาจารย์หรอ ก, <c oughs> รอกมาลักษณะนี้ <c oughs> พราหม์อง์นั้นเขาก็ พูดในลักษณะตัดเ <Okay. S 1> พาะว่าโอ้สงสัยทรงจะเป็นไปได้นั่นคือไม่เชื่อว่าจะมีสัมพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นตรงนี้นี่คืออยู่ที่แถวแถวต้มนมุรูปเวลานั่นแหละค่ะเท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยพอได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วพระชวีผุดพองขึ้นหรือว่าจริงๆอาจจะผุดพองมา่ก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะอ่าคือจะมีในการสองครั้งคือตอนที่ขึ้นก่อนตรัสรู้แล้วก็ขึนหลังขึ้นก่อนปรินิพานแต่ว่าหลังจากตรัสรู้แล้วผิวพันธ์ของผู้เช้าก็ผุดพองอยู่แ ล, ล้วล่ะแต่ผุดพองเป็นพิเศษในการสองครั้งแต่หลังจากตรัสรู้ก็ผุดพองอยู่เป็นปกติแต่ข้อที่น่าสนใจก็คือว่าธรรมะที่ปรากฏขึ้นมาเองที่ท่านได้พูดถึง เป็นธรรมะที่เรารู้จักกันพอสมควรนะนะคะเช่นอิทธิบาทสี่อย่างเงี้ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรียงลำดับความสำคัญไหมคะว่าที่นึกถึงก่อนนึกถึงหลังมันแตกต่างกันยังไงหรือว่าพอจะมีเหตุผลไหมคะว่าเพราะเหตุใดท่านถึงคิดถึงเรื่องอิทธิบาทสี่ก่อนอคือคือตรงนี้ธรรมามีความาคิดอย่างี้ค่ะว่าคือจริงๆในในที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยนะก็ คือเรื่องของลำดับขั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะเพียงแต่ว่าที่มาบอกเนี่ยเพราะว่าไปปรากฏอยู่ในพระสูต ร, น, น, ร, น, ร น, นู้นบ้างพระสูตรนี้บ้างพระสูตรนั้นบ้างซึ่งแต่ละพระสูตรเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเรียงลําดับว่าอันไหนมาก่อนมาหลังบางทีพูดถึงตอนที่หลังตรัสรู้ใหม่ๆ ใ, ใต้ต้นที่พักล้อมของเด็กเลี้ยงแพะก็พูดเรื่องอิทธิบาทสีขึ้นมาอีกพระสูตรหนึ่งก็พูดถึงเหตุการณ์เดียวกันใต้ต้นใต้ต้นไม้ที่พักล้อมของเด็กเลี้ยงแพะก็พูดถึงปฏิจจสมุบาทขึ้นมาอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพราะองค์พูดอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่ที่อรมามีความคิดอย่างนี้คือว่าพอหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็มาใคร่ครวญน้ำว่าโอ้เราตรัสรู้มาได้ยังไงด้วยคุณธรรมข้อไหนข้อไหนอย่างเงี้ยนั่นคือบางทีเราเราผ่านการสู้ศึกมาตลอดอย่างเงี้ยนะคุณยมติวพอชนะแล้วเนี่ยเรามาใคร่ครวญดวยูยุทธศาสตร์ของเรามาเป็นยังไงแผนการรบของเรามาเป็นยังไงบางทีมันอิรุงตุงนางมาเรา ไม่ได้คล้ายควรให้ชัดเจนอย่างเงี้ยแล้วก็จะสอนอยังไงธรรมะนี้มันยากขนาดไหนอย่างเงี้ยนะค่ะก็แหมืนกับว่าสิ่งที่ท่านพุทบุตเล่าเนี่ยให้เราจินตนาการเห็นภาพว่าเมื่อได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในวันที่สองพันหกร้อยปีที่ผ่านมามนะครท่านได้ทําอะไรบ้างก่อนหน้านั้นก็หมายถึงว่าท่านได้ทําอะไรบ้างและท่านได้พบใครบ้างแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่า ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความพิเศษชนิดที่ว่าพรามเนี่ยทักเลยนะคะถึงความสวงงามของอินทรีค่ ะ, ะแล้วก็พอพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอใครครุฑแล้วแล้วก็พบว่าโอ้โหธรรมะนี่มันลึกซึ้งยากที่จะคนทั่วไปจะรู้ได้ก็เลยมีความท้อแท้ในการที่จะแสดงธรรมค่ ะ, อะพอท้อแท้ในการที่แสดงธรรมแล้วก็พรุ่งนี้จะมาต่อตอนที่ว่าเอาแล้วใครมา พูดสนทนายังไงกับพรมต่อไปนะพอะทอแท้แล้วเนี่ยก็จะมีพรมมาพูดคุยละตรงนี้เราก็จะมาคุยต่อในวันพรุ่งนี้ว่าพรมเนี่ยเขามาคุยกันว่าอย่างไงบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าเกิดไปแล้วที่เราจะไม่ได้รู้ว่าพราะพุทธองค์ตรัสรู้อะไรใช่ก็ทรงเห็นว่าสิ่งที่ตรัสรู้นะั้มันไม่ง่ายสําหรับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแบบเร า, เราๆท่านๆจะเข้าถึงแต่แล้วเราโชคดี โชคดีเพราะอะไรพรุ่งนี้ต้องไปติดตามกันต่อนะคะวันนี้นวัฒ ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างนิ่งเลยค่ะเ ต, ตืนทานต้นฟังที่ครัชเนี่ยค่ะเป็นความพิเศษที่เราตั้งใจที่จะมอบให้เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันทาในสิ่งที่ควรทาก็คือถวายพุทธบูชากับพระศาสดารู้จักท่านมากขึ้นและเอาธรรมะของท่านตใช้ พื้นๆอย่างเช่นที่เล่า น, นะคะว่าเราปฏบิบัติบูชาได้ทันทีเท่ากับเรากําลังเดินมากยกตัวอย่างเช่นหากเรามีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นด้วยกับคนนั้นคนนี้นะคะอย่างรุนแรงด้วยแต่ว่าเราต้องอดทนอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้านพิบูลพูดเป็นหมดแล้วฉันก็สรุปแค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็วันนี้คงจะต้องบอกว่าในส่วนของท่านที่บอกตั้งใจเลยจะถวายเป็นพุทธบูชาในปีเนี้ด้วยการท่อง สิ่งที่พระพุทโธงตรัสหรือพุทธวจนะให้ได้เป็นบทสวดมนต์ของท่านไปเลยเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันหาตำราที่ไหนที่นี่มีหนังสือพุทธวจนะแจกให้นะคะจากวนา ป, ปพงลำลูกกาคลองสิษ์โดยท่านคึกฤทธิ์เนี่ยค่ะวลา3เล่มโทรศัพท์เข้ามาที่ 02-269-00-06 ้นกะคะเราก็จะได้เห็นว่าโอ้โหบทพียชนะ เมื่อเราได้อ่านใคร่ครวนทบไปทวนมาแล้วมันดีจริงๆวันนี้เรานัดหมายกันใหม่ดีกว่ามั้งคะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่ตีหที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้แล้วก็ที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะดิฉันคุณสนีนาพงศ์จะมาพบกับท่านพร้อมๆกับพระภิกษุอีกสองรูปเช่นเคยคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนพุทธสวัสดีคะ่ะ